ภาวนาอย่างที่ที่คุยทั้งหลังคือการหลงตามันม <All right. S 1> yeah. so ันใช้การระลึกเอาครับให้ระลึกแล้วก็ระลึกยังไงที่ว่าใช้การระลึกคือคือมันมันก็ยังหลงอยู่นะหลงก็คือหลงแต่พอมันระลึกมันก็เหมือนกันมันมันจะนึกออกว่าเออมันมันเห็นสิ่งเนี้ยครับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอะครับมันก็มันก็คล้ายๆสังเกตเอาครัสิ่งนี้สิ่งนี้หมายถึงอะไรเห็นว่าสิ่งนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงอะไรเพราะว่าคนเขาเขาฟัง จากไอ่ยูทูบฟังอะไรก็ไม่รู้คืออะไรไอ้สิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ที่โอดเห็นสิ่งนี้ขึ้นไหวเปลี่ยนแปลงคืออะไรอ๋อก็ก็แล้วแต่ที่มันจะปรากฏอาจจะเป็นความรู้สึกอารมณ์ร่างกายอะไรที่มันที่มันมันมันรู้สึกขึ้นมาขณะนั้นอย่างเงี้ยครับความคิดด้วยล้วนทั้งความคิดด้วยครับความค<ถ>ิดความนึกความตึกความตองอ่ะครับแล้วเป็นไงก็ก็สังเกตครับก็สังเกตมันมันก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ก็ก็ใช้การสังเกตนะครับแต่ถ้าหลงก็ก็คือหลงนะครับหลงไปคิดหลงไปฟังหลงแต่ถ้าถ้ามีทติปุ๊บมันเหมือนมันมันก็จะระลึกอะครับระลึกจะประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ก็จะคล้ายๆค้ายๆว่ามันจะเป็นการระลึกปุ๊บมันก็จะสังเกตนะครับครับแล้วหลาพอไม่ไม่ไม่หลงไม่แ ล, ล้วเป็นยังไงต่อ ถ้าไม่ไหลงไปเม่อเพลเพลไปคิดปรุงแต่งแล้วไปยังไงต่อพอรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วปฏิบัติยังไงต่อถ้าถ้าตอนนั้นไม่ได้มีหน้าที่อะไรก็ก็แค่สังเกตครับมันก็จะเห็นแล้วแต่มันก็หลักๆมันก็เป็นความเคลื่อนไหวเป็นมันมันจะแปั๊บไปเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามอะครับหรือบางทีมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะเผิ่มันก็จะกลับไปคิดแต่บางทีมันก็จะเห็นเป็น เป็นเป็นอาการนะครับวถ้าถ้าไม่ได้เข้าไปในเรื่องก็จะเป็นอาการคิดหรือว่าเป็นเป็นความรู้สึกต่างๆที่มันจะปรากฏขึ้นนะครับบางทีมันก็จะรู้สึกคล้ายๆเหมือนเหมือนเป็นพลังงานที่ที่เคลื่อนไหวอย่างไ้นนะครับอืก็ถือว่าเอามาละเอียดกันแล้วนะจะยังไม่ละเอียดถึงที่สุดคือยัง ยังเอาตัวผู้เห็นเนี่ยผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเนี่ยไอตัวนี้ยังเป็นตัวที่เป็นตัวที่เคลื่อนที่ได้ตัวที่กระเพื่อมได้ตัวที่ไหวตัวได้ตัวที่มีแสดงกิริยาการเป็นตัวเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจอย่างนี้เข้าใจโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วแล้เอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเออใช่ช่อย่างนี้แล้วแล้และยังเอาไอ้ตัวนี้เป็นตัวเราอยู่ เอาไว้ตัวที่รู้ที่เห็นทั้งทด้รู้ทั้งเข้าใจทั้งที่ละที่ปล่อยที่วางอตัวที่เป็นแสดงกริยาการเนี่ยเอาไว้ตัวเนี้ยยังเป็นตัวเราแล้วก็ไปละตัวอื่นแต่ไม่แต่เอาไว้ตัวที่ไปพยายามละตัวอื่นได้ตัวที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจและรู้เท่าทันแต่เอาไว้ตัวที่เนี้ยที่มันแสดงกริยาการได้เนี่ยเป็นผู้ที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจที่รู้เท่าทันที่ละที่ปล่อยที่วางเนี่ยที่มันแสดงกริยาการเหล่านี้กลายเป็นตัวเราเลย แต่เราสังเกตไม่เดียดรอบข้อว่าไอ้ตัวนี้มันตัวแอคชั่นได้มันแสดงกริยาการได้มันไหวตัวได้กระเพิ่มได้สิ่งใดก็ตามที่เป็นสังขารที่มันกระเพิ่มได้ไหวตัวได้แสดงกริยาการได้ปล่อยวางมันให้หมดปล่อยวางมันตลอดเวลาให้เห็นว่าสังขารทั้งหมดทุกณาปจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา แต่ของท่านอนี่ยไปเอาไอ้ตัวที่รู้ที่เห็นที่ละที่ปล่อยที่วางที่เข้าใจที่มันแอคชั่นได้แสดงกริยาการเข้าใจได้ที่มันปล่อยที่มันละที่มันวางที่ตามดูรู้เห็นได้ที่มันเคลื่อนไหวได้เอามาเป็นตัวเราซะเราต้องวางมันไปนะเพราะเราแท้แท้มันคือวิญญาณวิญญาณแท้แทหรือใจแท้แทหรือจิตแท้แท ไอ้ที่พูดว่าแท้ๆเนี่ยก็คือเปรียบเหมือนเทียบกับทองคําแท้ทองคําแท้ก็คือทองคําที่บริสุทธิ์มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับธรรมชาติในโลกนี้มันมีอยู่ใต้ดินแต่ทองคําเนี่ยมันอยู่ในโลกในใต้ดินพร้อมกับโลกนี่แน่เราก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นการเปรียบเทียบได้เฉยแล้วก็ทองคําเนี่ยมันเกิดคู่กับธรรมชาติของโลกนี้มาแล้วมันก็มีแล่ อย่างอื่นเนี่ยมาปนผสมอยู่ในมันเราก็ยังรียกไม่เรียกว่าทองคําที่บริสุทธิ์ยังไม่เรียกว่าทองคําแท้คือมันมีสิ่งที่ปอมปนอยู่จนกว่าผู้มีสติปัญญาเนี่ยเขาก็จะรู้จักกรรมวิธีในการถลุงให้แหล่ทองคําที่บริสุทธิ์ออกมาจากสิ่งที่ปอมปนหรือถลุงเอาสิ่งที่ปอมปนอยู่กับแรล่ทองคําเนี่ยออกไป เลยมันก็เหลือเป็นทองคําแท้หรือทองคําที่บริสุทธิ์ที่เป็นมันเป็นทองแท่งที่มาขายกันในทองตลาดเนี่ยเรียกว่าทองแท้หรือทองคําที่บริสุทธิ์ทองร้อยเปอร์เซนก็เรียกแล้วเมื่อเปรียบเทียบอันนี้เขก็ไปเปรียบเทียบกับคําที่พูดว่าวิญญาณแท้วิญญาณแท้แท้หรือจิตดั้งเดิมแท้แท้หรือใจดั้งเดิมแท้แท้ใจแท้จะเรียกว่าใจแท้จิตแท้หรือวิญญาณแท้คืออันเดียวกัน วิญญาณแท้ก็คือเรานี่แนี่คือวิญญาณแท้ที่มาเกิดแต่วิญญาณแท้มันยังไม่ได้มาตั้งแต่แรกมันมาหลังจากที่พ่อกับแม่ประสมพันธ์กันแล้วพ่อกับแม่ร่วมประเวณีกันด้วยอารมณ์ความแล้วสเปิร์มของพ่อซึ่งเป็นธาตุดินเขาเข้าไปผสมกับไข่ของแม่ซึ่งเป็นธาตุน้ำแล้วแม่ก็กินเอาซากพืชซากสาัตว์ ซึ่เป็นธาตุดินกินเอาน้ําเข้าไปธาตุน้ําและกินเอาธาตุลมหายใจเข้าไปกินเอาอากาศเข้าไปแล้วกินเอาความร้อนธาตุไฟเข้าไปไปสันดาบกันไปเคียวทาให้เลือดเนี่ยธาตุต่างๆมารวมกันเป็นก้อนเลือดขึ้นมาเรื่อยๆจากเล็กๆ เ, เป็นเลือดเล็กๆจาดเล็กๆที่ปลายยอดยา้าเหมือนน้า ที่ติดอยู่ที่ปลายยอดหญ้าเขาว่าแรกๆเลยที่ผสมกันเสร็จแล้วเคี้ยวเคี่ยวออกมาเป็นเป็นหยดเลือดเล็กๆเนี่ยมีขนาดเพียงแค่เอาปลายยอดหญ้าเนี่ยไปจุ่มในน้ำมันหรือว่าจุ่มในน้ำอะไรเนี่ยแล้วก็มาสลัดเจ็ดครั้งแล้วเหลือไอ้ไอ้หยดน้ําที่มันอยู่ที่ปลายเนี่ยเนี่ยเท่าไหร่นี่ยเนี่คือเพิ่งเริ่มต้นมาแค่นั้นเองยังไม่มีตัวตนที่เป็นรูปร่างเรามาันเหมือนที่พวกเรามันนั่งอยู่อย่างนี้หรอก แล้วก็เลือดมันก็ค่อยโตมาจากสากักพืชสักสักสกตว์คิดดูดีพิ่นายดีมก็โตขึ้นมาจากสากักพืชสากสัตว์แม่ก็กินน้ํากินสกักพืชสักสัตว์กินลมกินอากาศกินความร้อนเข้าไปวิญญาณยังไม่มาเลยตอนนั้นน่ะเรายังไม่มาเลยวิญญาณแท้แท้เนี่ยยังไม่มานะมันยังเป็นเลือดอยู่เลยยังเป็นเลือดเล็ก แล้วก็ที่กินเข้าไปไม่ได้กินวัวกินควายกินหมูกินเนกินไปทังกินไก่กินอะไรทั้งตัวหรอกกินแต่น้ําเหลืองเข้าไปน้าเลือดน้ําเหลืองเนี่ยตัวเราเนี่ยมีแต่น้ําเลือดน้ําเหลืองสัตว์เรือฉันน่งที่พองมาเนี่ยคุณพองมาตัวเนี่ยน้าเลือดน้ําเหลืองเนี่ยจนกระทั้งก้อนเลือดนี่มันโตแล้วนั่นแนบเราจึ่งจะมาแท้ๆวิญญาณแท้ๆเนี่ยวิญญาณแท้ๆคือวิญญาณที่ที่ไม่มีอวบิชาปนคือเหมือนกับทองแท้ที่ไม่มี ไม่มีแร่ธาตุอื่นปอมผลเรียกว่าทองแท้คือทองที่บริสุทธิ์หรือทองร้อยเปอร์เซ็นตคือวิญญาณแท้หรือจิตแท้หรือใจแท้มันเป็นคําเดียวกันหรือมโนก็เรียกเป็นอันเดียวกันแต่มันเป็นของแท้ของร้อยเปอร์เซ็นตแต่ตอนที่มันมามันยังไม่ร้อยเอร์เซนมันมาคู่กับธรรมชาติเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เ็นเหมือนกับว่าทองคําในโลกเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นมันก็เกิดมาพร้อมมันก็มีอยู่ในใต้โลกนี้แล้วแต่มันก็มีแร่ธาตุอื่นปนแล้วก็ คนมีสติปัญญาก็ถลุงออกมันก็เลยเป็นทองแท้ร้อยเปอร์เ็นทองร้อยเอร์เซ็ตทองไปสุดนี่ไอ้วิญญาณแท้แเราเนี่ยคือถ้าเป็นวิญญาณแท้แท้เนี่ยหรือเป็นจิตแท้หรือเป็นใจแท้เนี่ยที่ไม่มีอวิชชาปนแต่ไม่มีหรอกมันมาเกิดกพ็พร้อมกับพ้อกับอวิชชาปนคือมันเ ม, มากับแร่ธาติปลอมปนแต่นี้คนที่มีสติปัญญาเขาก็มีสติปัญญารู้จักถลุงถลุงเอาเอาวิชาที่มาปนอยู่กับวิญญาณแท้จิตแท้ใจแท้ ออกไปอวิชามมันก็หมดไปพราะวิชาดับไปมันก็กลายเป็นวิญญาณแท้ใจแท้หรือจิตแท้แท้หรือเขาเรียกว่าจิตตั้งเดิมแท้แท้ใจตั้งเดิมแท้แหรือวิญญาณแท้แท้ในวิญญาณแท้แท้ที่ไม่มีอวิชาปนหายโง่แล้วเนี่ยหายโง่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีตัวไม่มีตัวตัววิญญาณไม่มีไม่มีตัววิญญาณไม่มีตัวจิตไม่มีตัวใจ ไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธ์สันธานอะไรเลยไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีกิริยาการใดๆไม่สามารถคิดนึกตึกตองปรุงแต่งมีอารมณ์อะไรได้เลยไม่สามารถแทรกแซงอะไรได้ไม่สามารถเลือกคัดแยกอะไรได้ว่าอย่างงี้จะเอาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้จะเอาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้จะเอาทํายาทํากิริยาการอะไรไม่ได้แอคชั่นอะไรไม่ได้มีสภาพได้แต่รู้ เขาเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุธาตุแปลว่าขุสศุติไม่ได้วธาตุแปลว่าก้อนธาตุแปลว่าขุนบัติคือรู้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันธสัณฐานใดๆไม่มีกิริยาการใดๆเราแท้ๆนั่นแหละเป็นอ น, นั้นต์แต่มันมาเกิดก็อย่างพร้อมกับอวิชชาที่ปอมปนมันปอมปนเหมือนทองคําเนี่ยมามาเกิดพร้อมอ ย, อยู่ในใต้โลกแล้วนี่แหละ แล้มันก็มีแลทาตุอื่นปอมปนแต่มันเป็นของแท้แล้วเนี่ยมันไม่มีรูปร่างไม่มีพันธุ์ฐานอะไรเอาวิชาเนี่ยมันแค่โ ง, ง่แล้วมาปนเฉยเราก็หายโง่คนนั้นเนี่คือเข้าใจมันถูกต้องว่าเราแท้แท้ไม่ใช่ว่าร่างที่ผสมเสร็จแล้วในแต่ละชาติรวมทั้งในชาตินี้ไม่ใช่เอาไอ้ตัวที่ผสมเสร็จคือสเปิร์มกับไข่มาผสมกันแล้วเราเอาสากพืชสากสัตว์ซึ่งเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศ ที่เอาไว right ้ตั้งแต่ก้อนเลือดที่ผสมมาเนี่ยอผสมเสร็จพอวิญญาณเข้าผสมปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ได้เลยแต่นี้ตอนยังไม่ผสมเนี่ยวิญญาณยังไม่มาผสมเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรหรอกมันมันแอคชั่นไม่ได้แสดงกิริยาการไม่ได้คิดนึกคือตองปรุงแต่งอะไรไม่ได้แทรกแซงไม่ได้เลือกอะไรไม่ได้ทั้งหมดพยายามจะแทรกแซงพยายามจะงี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอาอยังงี้จะเอามันทําไม่ได้ทั้งหมดเลยมันทําไม่ได้แตกอย่างเดียว เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราแท้แท้เนี่ยคืออะไรเข้าใจแล้วว่าเราแท้แท้คืออะไรเราก็กลับคืนไปสู่เราแท้แท้เราแท้แท้คืออะไรก็คือเหมือนทองคําที่บริสุทธิ์ทองคำแท100้ร้อยเปอร์เซนเราแท้แท้ก็คือวิญญาณวิญญาณวิญญาณแท้แท้จิตแท้แท้ใจแท้แท้ซึ่งมีแต่ความรู้ไม่มีกิริยาการใดๆไม่มีตัวตนไม่มีรูปพันธสฐานใดๆไม่มีอาการใดๆ ไม่มีกิริยาการที่ตรงกันข้ามได้ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองมีแต่ความรู้ที่ไม่มีอะไรเลย yeah. เมื่อเราเข้าใจอย่างเนี้ยไม่ใหม่เนี้ยใจมันก็ยังไม่ยอมรับเราโง่มาหลายชาติแล้วเป็นเอาวิชามาหลายชาติเราก็จะยึดเอาไว้ตัวที่ผสมเสร็จทุกชาติเนี้ยที่มันพูดได้คิดได้อตอมปรุงแต่งได้ที่มีชีวิตจิตใจมีความเคลื่อนไหวได้เอามาเป็นตัวเราซะ เราลืลไปเราเราก็คือวิญญาณแท้แท้จิตแท้แท้ใจเดินแท้แทที่มันมีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีไม่มีสุขไม่มีทุกข์มกไม่มีกิริยาการใดๆเมื่อเราจะโง่อยู่เราก็ต้องช่วยมันเอาไอ้สติปัญญาในขันห้าเนี่ยเอาสมาธิใจที่สงบในขันห้ามาช่วยบอกช่วยสอนใจตนเองว่าเราแท้แท้มันมันน่ มีแต่ความรู้วิญญาณแปลว่ารู้ไม่ใช่เปวิญญาณแปลว่าผีวิญญาณเป็นวิญญาณที่มีแต่รู้ตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพันณสันธานไม่มีไม่สามารถแสดงกริยาการใดๆได้ไม่สามารถคิดนึกตึกตองปรุงแต่งได้ไม่สามารถคัดแยกอะไรได้ไม่สามารถว่าอย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้จะเอาทําอย่างนั้นไม่ได้แสดงแอคชั่นไม่ได้แสดงกริยาอาการใดๆไม่ได้คิดนึกตึกตองปรุงแต่งใดๆไม่ได้เลยมีแต่รู้เท่านั้นเองที่ไม่มีตัวตนไม่ปรากฏอะไรเลย ท่านจึงกล่าวว่าเปรียบเหมือนเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติของจักรวาลที่ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีรูปพรรณถานอะไรเลยมันบอกมันสอนจิตใจตนเองทุกกิริยาการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันมีความคิดความนึกความตึกความตองความบงแต่งเมื่ออยู่คนเดียวเยงียบเงียบเนี่ยให้ไปเป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งซะไปเป็นจิต ที่ไม่ปรุงแต่งซะไปเป็นวิญญาณดั้งเดิมแท้ๆที่ไม่อาจปรุงแต่งได้ซะแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดในขณะปัจจุบันคือทุกความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกกิริยาการในปัจจุบันที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งเกิดดับในใจหรือในจิตแท้ๆหรือในใจแท้ๆหรือในวิญญาณแท้ๆ ท, ที่ไม่อาจเกิดดับได้ไม่อาจปรุงแต่งได้ ปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับที่คิดนึกที่ตึกที่ตองที่กระเพื่อมที่ไหวตัวได้จะไม่ต้องเรียกชื่อมันก็ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่สิ่งใดก็ตามที่มันไหวตัวได้มันไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่แรกมันเป็นของที่มาผสมเสร็จแล้วจากการผสมพันธ์ของพ่อกับแม่แล้วก็มีสเปิร์มกับไข่เข้าไปผสมกัน มันบอกมันสอนมันเรืเ่อยๆใจอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าพูดลอยลมไปเฉยเฉยเรื่อยเปือ่อยต้องมันบอกมันสอนใจทุกกริยาการที่ปรากฏเกิดดับอยู่ภายในใจว่าสังขารทุกขณะจิตปัจจุบันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราไม่อาจมีอาการได้ไม่อาจคิดนึกติ่นตอมพงแต่งได้ ไม่อาจกระเพื่อมได้ไม่อาจมีกิริยาการไหวตัวได้ไม่อาจจะอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อาจจะอยากให้เป็นอย่างนี้ได้ไม่สามารถจะเกิดความอยากความไม่อยากใดๆได้เลยเราแท้แท้ไม่มีอะไรเลยได้แต่รู้ว่าเราแท้แท้ไม่มีอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยสิ่งที่ปรากฏอะไรทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา เราแท้แท้ได้แต่มีความรู้อย่างนี้เท่านั้นเองเราแท้แไม่<ๆ>ได<ม>้ไว<ะ>่า um. ไปสามารถไล่รู้ไล่ดับอะไรได้ไม่สามารถไปไล่รู้ไล่ดับอะไร <comple> ได้เลยเพราะว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้จึงไม่สามารถไปไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไล่ดับอะไรได้ได้แต่มีความรู้ถึงใจว่าเราแท้แท้เคลื่อนไหวไม่ได้แสดงกิริยาการไม่ได้เลยทุกอย่างที่เคลื่อนไหวภายในใจเราได้ ไม่ใช่เราทั้งหมดเราจึงจะกลับคืนสู่มหาสุญญาตาหรือจั ก, กรวาลเดิมที่หลวงปู่ดูนะตุโลกล่าวว่าเราปฏิบัติมาทั้งหมดก็เพื่อมาถึงจุดนี้คือมหาสุญญาตาหรือจั ก, กรวาลเดิมแล้วท่านก็ดับขันไปนิพพานไ ป, นไปซึ่งวันนี้เราก็โพสตไปให้พวกท่านทั้งหลายมีอยู่เนี่ย ในโพสต์วันนี้เราก็โพสต์ให้ท่านพกท่านที่วาระสุดท้ายของหลวงปูดูล์อัตุโลมันในวาระสุดท้ายท่านไม่มีความปรุงแต่งใดๆเลยไม่มีการคิดการนึกการตึกการตองไม่มีกิริยาอาการจิตกระเพื่อมไหวๆใดๆเลยหยุดเพ่ง หยุดพิจารณาหยุดกำหนดหยุดกระทำอะไรให้เป็นอะไรหยุดกิริยาจิตปล่อยวางหมดไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เป็นอะไรเลยเปล่าๆบริสุทธ เราปฏิบัติมาทั้งหมดนี่แน่เพื่อมาถึงวาระสุดท้ายตอนดับจิตนี่แน่ไม่เอาอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยดับสนิทไม่มีส่วนเหลือตัวเหลือตนไม่เหลือที่จะเอาบุญกุศลไปเป็นอะไรไม่เอาบาปและบุญไปเหลือเลยไม่มีเหลือบุญและบาปติดไปเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยไม่เป็นอะไรสักอย่างเดียว กับคืนสู่มหาสุญญตาจักรวาลเดิมนั่นไงคือสิ้นสุดของการปฏิบัติและสิ้นสุดของชีวิตจริงๆของการที่ต้องเดินทางสิ้นสุดของชีวิตที่ต้องเดินทางไปในภพทั้งสามในโลกทั้งสามคือการมาโลกรูปโลกอรูปโลกหรือการมะภพรูปะภพอรูปะภพสิ้นสุดการเดินทางเสียที จบลงอย่างสนิทดับสนิทไม่มีส่วนเหลือตัวเหลือตนอีกต่อไปเนี่ย้าใจไหมแต่ดวงตาเห็นท่านยังเอาตัวที่เข้าใจตัวที่ตามดูตามรู้ตามเห็นตัวที่พยายามกิริยาการพยายามรู้ละปล่อยวาง พยายามไล่ทำความเข้าใจพยายามไล่รู้ล่ลาปล่อยวา่างเป็นตัวเราอยู่ท่านเอาตัวที่เคลื่อนที่ได้เอาตัวที่แสดงแอคชั่นได้แสดงกริยาการได้เป็นตัวเราท่านผิดตัวแล้วจับคนร้ายผิดตัวที่ก็เรียกว่าจับแพ้จับแพ้คือจับคนร้ายผิดตัวซแล้ว